มีน้อยมากโดยที่สุดว่าเขาไปไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าดีอย่างไรเขาจึงไหว้เขาก็ไม่รู้ น, นะนะเขาไม่รู้เลยเนี่ยนะไม่ไม่รอบไม่รู้แม้กระทั่งคนของพระพุทธเจ้าก็เลยเกิดไอเดียขึ้นอันหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังนะไม่ได้เรืร่อยรเล่าให้ฟังแต่เป็นสิ่งที่อยากจะทําในอนาคตเมื่อได้เหตุอันสมควรก็คือว่าเออ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 มานั่งนึกถึงว่าแล้วเขาสิ่งเหล่านี้เนี่ยผู้ใดไหว้ก็บุญของผู้นั้นไปเนี่ยนะผู้ใดกราบผู้ใดไหว้ก็เป็นคุณของผู้นั้นไปนี่ถ้าหากว่าเรามาอะไรนะจัดพิมพ์พระพุทธคุณแล้วก็ภาพปกเป็นปกเกี่ยวกับพระพุทธรูปหรืออะไรก็ได้ที่สวยๆเนี่ยนะเป็นเครื่องบูชาแทนเน่ยนะวะก็เลยเมื่อาวานเอาหนังสือบทสรรเสริญพระรัตนตรยัยไปบูชาพระพุทธชินราชก็เล่มสวยๆเออใครอยาก น, นะมันมีพระพุทธรูปหลงพ่อเมตตา อก็สวยดีเนี่ยเราแทนที่จะเป็นดอกไม้ทั่วทั่วไปนะอา ภ, าภาพพระพุทธรูปเนี่ยทิ้งดงามแล้วเป็นหนังสือบทสรรเสริญพระรัตนตรัยแล้วก็บูชาเนี่ยนะก็เลยคิดว่าเออแล้วใครเอาไปอ่านหนึ่งคนนี่เราอ่านก็มีเด็กมาอ่านด้วยนะมาอาระหังส้ำมาพร้อมกันมันครับ ก, ก็บอกเออเป็นหนังสือเนี่ยนะ ค, คิดเขาอิตธิปิโสให้เราหนึ่งครั้งก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วล่ะเน่ยนะก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วล่ะก็เลยมาคิดจริงๆแล้วใช้ต้นทุนไม่สูง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 นในบรรดาคนที่มีมเมล็ดพันธุ์เยอะๆมาคัดมเมล็ดพันธุ์อันไหนหน้าเพราะปลูกในพบต่อๆไปในชาติต่อๆไปเนี่ยนะก็เลยเล่าให้ฟังว่าถ้าใครปรารถนาจะเจริญกุศลก็เจริญกุศลประเภทนี้ก็